ทำการทางเดินเป็นมงคลยินดีตอนาทุกท่านเราสวดพาสุสโตสุภโตแปลว่าไปดีมาดีตลอดที่บัดนี้ันธ์ทีการมาจากสติ สติคือความรู้สึกตัวในเป็นาาดางดาของคนาดีผู้ให้เกิดความนนดีทั้งหลายความผิดตายเป็นความโศความทุกข์ก็เป็นความไม่ทุกข์ความหลงก็เป็นความไม่หลงความโกโก็เป็นามไม่โกรธาความรู้ึวสสางาตัวนี้นัเราก็ทราบ่าไม่ใช่ค อ, อไม่ใช่ไม่ใช่คิดไม่ใช่อ่อน วัสดุประกการสร้างควารู้สึกตัวการสร้างขวามดีก็คือ ก, กายจิตใจของเรานี่เอากายเอาใจของเลามาเป็นวัสดุประกผิตความ ร, รู้สึกตัวไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้หัวคิดปัญญาอะไรอาศัยการกระทบสมกับชื่อว่า <c oughs> <c oughs> กัาร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 ในรูปสืบตัวจะไม่คิดเลยไม่ได้มันก็มีสิ่งแวดล้ลองไปสอนคิดกิจเคลื่นตอีนะ้จะไปอยู่ที่กายแล้วกิจมันก็ค่อยเป็นคไปค่อยเชื่อมก็อค่อยหมดปรกยชน์ลงไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวเมื่อเราอยู่ในกามันก็ค่อยเป็นไปเองแล้วก็ง่าย ด้าจะดูเราจะเป็นควมคิดเลยไม่ได้เดี๋ยวจะเข็ดจะหลาทำได้บ่างทำไม่ได้บ้าอ่านร้อยก่อเรื่องควาคิดเอากายก่อเอากามาตอมาสร้างมาประกอบแล้วเป็นกิริยาที่ทำจริงๆสิบสี่จังหวาคส่จังหวการ <c oughs> เคลื่อนร้อยมือ ในประสูตรเพียงแต่ว่าการโคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกมีสติอันนี้เราก็มาเอาให้เป็นรูปประทําเพื่อให้มีเจตนาเข้าไปเสริมเป็นสิบสี่จังหวะอย่าให้ลื ม, มลืมก็ไม่เป็นแล้วลืมได้แค่ใจจะได้ถ้าแก่ความหลงความลืม อะไรเป็นศินลปะเป็นความถูกต้องเป็นการวัดวิวัฒนาการเวลาใดมันหลงของความรู้สึกตัวเป็นสัตอยากจะให้มันหลงร้อยพั้งถนนเราก็จะรููร้อยพังันนไม่เสียหาอย่าไปกลัวความหลงอย่าไปกลัวความผิดาการกระทำนี่ไม่ต้องกลัวสิ่งใดๆทั้งหมดหรอกจะผิดจะถูกมันเป็นเรื่องของมันผิดมันโถูกแต่สิ่งที่ มีชั้นเชิงดีก็ ค, คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้สําคัญแล้วเราก็รู้ได้ไม่มีใครที่รู้ไว้ได้รู้ความรู้สึกตัวเนี่ยเข้ากับกายเข้ากับใจได้ดีเหมือนนมกับ น, าน้าเข้ากันได้ดีน้ำกับนมเข้ากันได้ดีความรู้สึกตัวไปอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยเป็นการถูกต้องที่สุด เหมือนตั้งตนอยู่ในความชอบที่สุดชอบแล้วแต่เรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตายกับนั่นเราอยู่โดยชอบการอยู่โดยชอบไม่ใช่อยู่ในตึกลานบ้านช่องอยู่กับใครที่นะนแต่ว่ากายอยู่กับความรู้สึกตัวใจอยู่กับความรู้สึกตัวลองมาฝึกหนัดต้งนี้ลองดูไม่มีใครช่วยกันได้ไม่ใช่สอนให้รู้ วิชากรรมฐานไม่ใช่สอนให้รู้สอนให้พบเห็นเราเองให้เห็นเราเองให้มีเอาเองสอนให้มีให้มันมีให้มันรู้หรือให้มันถัดทีความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องรลอกิกมือขึ้นก็รู้ยกมือขึ้นก็รู้วางมือลงก็รู้คว่ามือลงก็รู้ให้รู้ไปตัดตามกิริยาของอริยบทผักไ่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 เราเคยหายใจปรีๆมานานแล้วเราเคยเคลื่อนไหวปลีๆมามากแล้ววันนี้เราลองมาติดตามลองดู๋ยวให้มันฟรีสัดเจาเรื่องของกายเรื่องของใจต้องมีสติก็ไปดูไปเห็นน ะ, ะเรียกว่ากรรมฐานตอเพียนเพียนสัหน่อยเพียนรู้เพี้ยนรู้สึ็เพียนรู้สึกจเพี้ยนรู้สึก เ, ก เ, กเกท่านั้นแหละก็ไม่หนักหนาส้่งหัวแต่ไร บางทีเราคลิปตาเฉยๆก็ยังรู้ได้กระเด็กนิ่วเล่นๆเตะมือเล่นๆก็ยังรู้ได้จากจากจากับไปหากลางกลางไปหาละเอียดเก็บเก็บความละเอียดลู่ความละเอียดลูคลดล่ความเป็นกลางลู่ความหยับหยับอบทที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นความหยับหยับใครก็มองเห็นได้ก็ยกก็ยกขึ้นจริงๆวางลงก็วางเนี่ยให้มันลู่ไปตามดีบทที่มันเคลื่อนไหว แล้วมีเจตนาก็ไปเสริมมีเจตนาก็ไปเสรินี้ไม่พ้อยู่ในกรมือเราแต่แต่ความรู้สึกตัววา่าแต่มาดูกายมาดูใจของเรากายเราอยู่ตรงไีใจก็อยู่ตรงไห้เราอยู่ที่ไหนก็อ ย, อ, กยยอยู่ด้วยกันให้กายให้สติให้ใจให้สติอยู่ด้วยกันไม่เหลือวิสัยที่เราทำได้ไม่เหมือน โบราณท่านว่าจับปูใส่กระด้จับปูใส่กระด้งมันไม่เป็นฝันนั่นหรอกการฝึกฝืนมันไม่ยากทั้งขนาดนั้นเราก็พูดกันให้มันยุ่งยากเฉยของที่มันง่ายๆ เ, เราไปคิดแบบยากๆดูซิเรายกมือส่างจังววะบางทีเราก็เดินจังกรมะเราเดินจังก็มมันคิดเลย หลงก็ได้ความคิดไม่เป็นไรกลับมารู้สึกได้ไม่หมดแรงหรอกหลงความหลงไม่หมดแลไม่หมดแรงสักหน่อยได้ผลเรียนด้วยซ้าไปรู้สึกตัวซะกลัมารู้สึกตัวมันหลงทีใดยิ่งหัวเราความหลงตไปตกลัมบาามารู้สึกตัวได้สบายแต่กลับมรู้สึกตัวเลยเรียบ้ไปมันจะต่างกันกับความหลงหรอ ความหลงก e so so so so hey, so ับความรู้ส <is> ึกตัวจะต่างกันเลยู่ขอให้เราได้สัมผัสตัวนะถ้าอยู่กับความรู้สึกตัวหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหวันเจวันพอมันหลงมันจะแผละนะมันจะไม่มีไกลออกความหลงขอให้ได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวให้พิสูจน์ให้สัมผัสให้เคีมดูให้มีรสชาติของความรู้สึกตัวเรียกว่ารสพัทธ์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 เลือกเอาความรู้สึกตัเข้าข้างความรู้สึกตัวจะอยู่โดยชอบจะเป็นมกกั่งจะดําเนินไปอย่างถูกต้องแต่ว่าการสร้างเนี่ยเขาไม่มีความเพียงตลอดอาจจะปวดไหลปวดแขนอาจจะง่วงเหงาหอนอนบางทีเราชีวิตของเราเนี่ยบางทีก็ไม่เคยฝึกไม่เคยอยู่เป็นที่เป็นทางพองมาจับให้มานโยนเป็นทิศมันก็ มีอาการอะไรเกิดขึ้นหมดเหยียด ค, คิดอะไรต่งตางๆพวกเมาหัวนอ น, น, อนปวดร้าวไหลาแข็งปวดเมื่อยธรรมดามันเป็นธรรมดาสิงเรเราจะทําอะไรก็มีปัญหาเราจะนอนยังมีปัญหาเราจะกินข้าวก็มีปัญหาเราจะอาบน้าก็มีปัญหาดูดผงถูเสกู่ต้องใส่ใจต้องลําดับลํานาตอนอาบน้ำ ลำดับให้ถูกขั้นตอนบางทีอาจนั่งไม่ถูกขั้นตอนก็ทําให้สวบัดรอดสวบัดหนาได้เช่นเราไปไหนมาไหนเหน่เหนื่อยรอดเหนื่อยไหลไปย่อยนะอยู่จะมาอาน้ำลาดบนหัวลงมาเลยมันปรับตัวไม่ทันต้องอานา้ําใส่โอกใส่ตัวไปเจะก่อนให้ ความร้อนมันขึ้นหัวมันจะร้อนวู ว, วูขึ้นหัวขต่ว่าให้ความร้อนออกไปมา ก, ก, า ไ, ปกไปก่อนลาดตัวไปสองครั้งสามครั้งถูสบู่ไปก่อนอืถูสบู่ไปแล้วลาดตัวไปเอีกชะชาชั่หน่อยให้เวลาความร้อนมันออกหมดชั่หน่อยก็คอ่อยลาดลงบนหัวก็สชาบ เราอาบน้ำให้โลกให้เต่าปรับ น, นรบางคนอาบน้ำให้โลกให้เต่าไม่เป็นบันทีก็เป็นว่าการฝึกตัวเองประมาณนั้นบางทีก็ยังอยู่จะไม่คลมุมจะไม่จะเกิดก็พรเกิดเกิดเข็ดเกิดหลาเกิดเป็นเรื่องยากไม่สู้พอปฏิบัติทำใดๆก็คิดแต่เรื่องอยากยากต้องนั่งหลังกดหลังห้อต้อง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 เป็นว่าก็เป็นบาเปเหมือกับของอะไรมาเปื้อนนิดหน่อยก็ปัดออกเคล็ดออกได้อยูนิดหน่อยไม่ถึงกับซึมซัพเข้าไปกองหลงเหมือนฝุ่นเหมือนทะเลมาเปื้อนนิดต่อไปพารูดขึ้นมาก็สะอาด ท, ทันทีกองหลองที่ได้รูดขึ้นมาสะอาดได้บทเรียนได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ ท, ทันทีสบายเลยพวกเรา มาทำที่สิ่งที่เราทําได้พอทําทเนี่ยปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดกาลปฏิบัติได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนรเห็นตามสมควรเจริผู้ปฏิบัตินะตามสมควรเจริผู้ปฏิบัติเราพยายามสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตั ว, ร ว, รตวเราจะใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ที่นี่มีเพื่อนมีมิตรนะตอนเช้าตอนเย็น อาจจะเป็นพูดประกอบให้เป็นส่วนประกอบอาจจะมีหลายองค์หลายรูปพูดว่าแต่ให้เป็นส่วนประกอบไม่ใช่พูดแล้วให้จำจำแล้วก็พยายามจะไม่ให้หลงให้ลืมไม่ต้องจำการปฏิบัติทำไม่ใช่เป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสัมผัสนะการพบเห็นไม่ใช่จำแต่การคิดเหตุนี่ต้องจำ ไม่เหมือนการเรียนวิชาการทางโลกต้องท่องเอาแต่ว่ามันก็ลืมได้การท่องจําแต่ว่าการฝึกกรรมฐานวิชากรรมฐานไม่ใช่ท่องจอมมันเป็นการพบเห็นภาวะที่เห็นเนี่ยมันลืมไม่เป็นหรอกเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดเนี่ยไม่มีใครลืมไม่มีใครลืมเห็นความทุกข์ก็ไม่มีใครลืม เป็นความโกรธก็ไม่มีไเลยมันก็เท่านั้นหละมันก็แค่นั้นถ้ามีความรู้สึกตัวมันก็เปลี่ยนไปละเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์มันเป็นไปเองไม่ต้องอะไรตัวอะไรนะมันจะเป็นไปเองมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติธรรมะมัมีแต่ธรรมชาติมีกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติ ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่เข้ามาเป็นมันเราผง่กล้วยวิยาที่โมกล้วยต้องต้องกระทำไม่ต้องใช้สมองเทียงแต่เอากล้วยใส่หม้อหม้อหรือใส่ปิบ๊บใส่อะไรที่หม้อใหญ่ๆเอาไปต้องแห้งๆอัดลงไปให้มันแน่นๆแล้ว แกบใส่หม้อเล็กๆมาข้างบนปากหม้อใหญ่ๆเอาฝานทานไปไปจุดแกลบนะั่ให้แกลบมันไหม้อยอะนั่นะจนแกลบมันไหม้หมดก็ไปเปิดดูวมันก็เหลืองหวานไปกล้วยลดปาตกวกลายเป็นกล้วยลดหวานกล้วยสีเขียวกกลายเป็นกล้วยสีเหลืองเองนั่ากรรมกรรมกรรมเรื่อกระทํากดของกรรมก็เป็นไปเ กายเป็นลถเป่งเตี่ยนเป่งเปลี่ยนลถป่าเป็นรถหวานการกังมฐานนี่ก็มืกัเปลี่ยนจากความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนจากความผิดเป็นความถูกไปเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนไปดับพื่อเปลเปลี่ยนได้ให้กลายเป็นดีเรียกว่าภาวนาอปิชาภาวนาเป็นยังงมันเปลี่ยนเองนะไม่ต้องไปเจนไม่ต้องไปห้าม น า, ายก้าวเปวิชาภาวนา ว, วิชาเปลี่ยนได้กลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเป ล, <c oughs> ลี <c oughs> ่ยนหลงเป็นกรู้เปียกทุ่นเป็นไม่ทุรู้เปลี่ยนแปลงว่าถึงที่สุดดับทุกโดยสินยส้นเชื้อโดยสิ้นเชื้อความโกเป็นขั้นสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้นสุดท้ายอ เรจะโกรธจนตายจะทุกข์นตายจะหลงตนตาไม่ใช่ชีวิตเรามีโอกาสเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ทำได้อยู่ให้โอกาสแก่เราให้โอกาสแก่ตัวเราบ้างในชีวิตเนี่ยอยากให้โอกาสแต่อย่างลื่นมากจนเกินไปให้โอกาสความรู้สึกตัวความรู้สึกตัว มันเป็นของประดับที่กายที่ใจของเราถ้ากายใจได้ประดับกับความรู้สึกตัวเรานะถูกต้องที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นศัจธรรมเป็นของจริงนะก็แต่ใดที่ได้าไทางแต่ได้ที่แด้ทางได้ที่อยู่ตายได้ที่อยู่ใจได้ที่อยู่เราก็จะเพิ่มได้เดี๋ยวเน่ร กายเรายังไม่ได้ที่อยู่ใจก็ไม่ได้ที่อยู่ตอนที่เราก็พึ่งใจในดาคุ้มไรยคุ้มดีทั้งที่ใจเราเป็นใจของเราเองคุ้มไรยคุ้มดีไม่มั่นใจตัวเองชีวิตที่ไม่มั่นใจตัวเองเพราะมันไม่ได้ที่ ว่อมันได้ที่มันไปได้นะมันไม่ไปได้มันไม่ไปหนักมันได้ที่ที่ของจิตนี่มันเป็นอมตะหัวที่ของกายที่ของกายไม่เป็นอมตะไม่ไม่ใช่เป็นปรมาเป็นสมมุติเปลี่ยนกันใช่เตียนกันอยู่ตามวาตาณิกะตามปัจจัยแต่ที่ของจิตนี่มันคงเป็นนิรันดรเป็นอมตะ เป็นศัจธรรมของใครของเราเราอยากมันพลาดจะให้จนเรื่องนี้อย่าให้จนเรื่องนี้อยให้อาภพรเรื่องนี้ <c oughs> เป็นชีวิตที่พลัดถิ่น <c oughs> เป็นชีวิตที่พลัดพานพัดเพลิง <c oughs> มันไม่ใช่กลางคืนพอฝันกลางวันว่อคิดกลางคืนเป็นควกลางวันเป็นเปลวมันไม่ใช่ต้องให้มันเรียบเป็นลชีวิตของเราเรียบเป็นของเส้นขงว่า เราให้เปิดคุมสอบไม่มั่นใจเป็นไม่รู้จะเป็นอย่างไงคนท่านที่ใจมันก็เป็นเรื่องของเราแต่เราเราก็ยังตึงมันไม่ได้ทำอะไรยังเป็นยังไงมันถูกดูกันที่วิเคราะหมันเป็นอย่างไงเราจะอยู่ในสภาพอย่างเราจะยอมอาจจะยอมหรือข อ, ของของไม่จริงเราจะต้องยอมของเถื่อนยอมความโกรธยอมความทุกข์ถ้ามันได้โกรธเราก็ยอม ข้ามวันข้ามคืนก็อยอมเราไม่มีโอกาสเปลี่ยนได้ เ, เราไม่มีโอกาสเปลี่ยนกโภคเป็นภหมายโกรธเราไม่มีสิทธิ์เลยเราทําหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติหรือเปล่าเราได้ลองดูไหมหรือว่ายอมแพ้เถิดเถิดเพืททพ่อนถ้าไรโกรธเราก็ไม่ฟังเสียงอะไรถ้ามีพัญญาโกรธกัโฆโฆนต่อเอาแต่รู้เพราะว่าการจำเทิงกัน โอดให้พ่อให้แม่โอดให้คนพนัาสานในที่นอนี่ก็จะต้องยอมอยู่นะเราไม่มีสิทธิ์ว่างเลยที่เป็นหราไม่เป็นอิสระไม่เป็นมิตรภาพเลยเราจะมาฝึกเป็นเรื่องที่น่ากระตือรือร้นมากที่สุดแล้วเป็นเรื่องที่นิ่งดุดขัวอย่างอึตาา้องมาฝึกฝนชีวิตจิตใจของเรา ถ้าทําตรงนี้สําเร็จเขาเรื่องอื่นเรื่องอื่นก็ค่อยเป็นไปเองเป็นไปเองหลวงพ่อเคยพูดว่าถ้ามาฝึกคีวิตจิตใจจนเข้าลูกเขาลอยไม่ต้องมีคุกไม่ต้องมีตลาดนะไม่ต้องมีทุกคนก็รับผิดชอบโดยไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนตนเดิมคีวิตจิตใจของเราผมั่นโภคต้องพึ่งพาใส่กันะดพึ่งตัวเองได้ S <S <an> <S ว, วิธีปฏิบัติก็ไม่ไม่ต้องไปอ้างอนนนนะไรความรู้สึกตัวไม่ต้องเอาความหนุ่มไม่ต้องเอาความแก่ไม่ต้องเอาบวชคลองว่าไม่ได้ความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เป็นลัทธิการไม่เป็นเพศเป็นวัยไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวความรู้สึกตัวคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็คือความรู้สึกตัว มีความรู้สึกตัวเป็นของคุณนะผู้หนุ่มมีความรู้สึกตัว อ, อันเดียวกันทุกคนถ้าเรานั่งอยู่นี่สามสิบสี่สิบชีวิตเนี่ยถ้าทุกคนมีความรู้สึกตัวก็ อ, อันเดียวกันแต่ถ้าเรามีความลงกับคนละคนละคนไปแล้วเราทุกคนมีความรู้สึกตัวอันเดียวกันเป็นหนึ่งเะติรวมเป็นหนึ่งเด็กอ่าถ้ารู้สึกตัว <c oughs> อันนี้ของจริงต้องเป็นอย่าง ไม่ใช่หลงๆเลยนละมันสัมผัสมันจุ่มมันต่อมันติดตัดแล้วมันก็ทำได้เช่นความหลงก็าเปลี่ยนเป็นความรู้ก็รู้ได้เป็นทีวความรู้มันเกิดขึ้นความหลงก็หมดไปแม้นมันไม่หมดมันเกิดขึ้นรู้อีกความหลงก็หมดไปอีกทำแล้วทำแล้วทําแล้วทำแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวมันก็จำเร็วจานานขึ้นมา เป็นศิลปะเป็นผลิตจากชำนาญที่สุดการเปลี่ยนได้ลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกมันเป็นความชำนาญที่สุดนะไม่มีอะไรที่ชำนาญไปกว่าการภาวนาเปลี่ยนได้ตายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกเป็นหลงเป็นลูกเป็นทุกข์เป็นไม่ทุกข์ถูกต้องที่สุดเลยไม่ต้องอะไรสงสัยไม่มีคําถามใครเป็นสัจธรรมสัมผัสเอาตัดสินใจได้ทันทีตรเราจะตัวนะ เราจึงมาสร้างกันมาสร้างกันมาประกอบมาสัมผัสอาศัยอยู่ร่วมกันตามฐานะอาฐานะอย่าไปามุ่งอย่างอื่นมุ่งมาสร้างความรู้สึกตัวามาสร้างความรู้สึกตัวซึ่งที่เราต้องการตัวปฏิบัติให้สำเป็จอันอื่เป็นรอ อาจจะมีที่อาู่อาจจะมีอาหารนะแต่ถ้าเราไม่มีมิตรไปนอกก็เราก็เป็นมิตรกับตัวเรามิตรกับความรู้สึกตัวดูที่ไหนมีมุมความรู้สึกตัวกดขวายที่จะให้มีความรู้สึกตัวโฉดช่วยที่จะให้มีความรู้สึกตัวเจ็บตกในความรู้สึกตัวอย่าไปเอาอหาโอกาสไม่ต้องหาโอกาส แต่ว่าช่วยโอกาสการปฏิบัติธรรมไม่ต้องหาโอกาสเป็นการช่วยโอกาสได้เท่าไหร่เอาหายใจเข้าหายใจออกลูกก็้ทิพตาลูกก็ได้จะไปไหนมาไหนลูกเสร็จตัวหัดให้ชินหัดให้ชำนิชำนาญให้เป็นนิสยัยนิสัยง่ายที่จะรู้อย่าเป็นนิสัยง่ายที่จะหลง เรียกมาขอเนตสายอังพันเตนตสยามอยากจะนิมาข อ, อนตสั ย, ม า, ออสยมาขออยู่ด้วยขออยู่ด้วยกับความรู้สึกตัวใครจะหลงมายังไงยังไงไม่เกี่ยวจะเป็นชาติชั่นวันลนะอะไรมาจะทําอะไร ม, มาไม่เกินเลยขอให้มันตั้งต้นตรงนี้ตั้งต้นความรู้สึกตัวตรงนี้พย่างตั้งต้นตรงนี้ <c oughs> เป็นยังไงตองพอเข้าใจไหม ลองรู้เรื่องไหมคือหลวงพ่อเล่านิยายให้ฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นนิยายนิทานอะไรเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเราเลยเป็นเรื่องชีวิตของเราหลวงพ่อกับท่านทั้งหลายกข้ามาเกันมีกายมนใจมีความหลงเข้ามาเกันมีความโกรธเข้ามาเกิดมีความทุกข์เข้ามาเกิดเหมือนกันความโกรธเข้ามาเกิดความทุกข์ความหลงเหมือนกันแปลว่า เราจะเตี่ยนมันตรงไหนเลยไม่กลัวความหลมาที่ไรเปลี่ยนได้ทันทีอยากให้มันเกิดความแต่มันไม่เกิดเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ปฏิบัติใต้ให้ผลด้สังข า, ารปรมวาทุกขาวิสังขารนิพพนังปรมังสุขขในสังขารมันก็มีวิสังขารในความทุกข์มันก็มีความมีทุกข์เนี่ยเราไม่หวังอย่างี การปฏิบัติทำจองดูเวลาไดมันลงรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวทันทีรู้สึกตัวทันทีเนี่ยผู้เรื่องคีวิตารณ์เราศึกษาเรื่องคีวิตรารอกมาทําเรื่องที่มันทําได้แล้วไม่ต้องรอการชาบความรู้สึกตัวไม่รอแม้แต่เสี้ยววินาทีทิ้งเงินเพื่อนก็รู้ทันที ยกมือขึ้นเขาทันทีวามือลองเขาลูดทันทีไม่ต้องรอเป็นปัจจจตังกลูดทันทีลูดเดียวนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ของกิง่งสัจธรรมต้องเป็นปัจจจตังคำสอนพระเจ้าเป็นปัจจจตังลูได้ทันทีถ้าทุกคนลูไปได้ไม่ใช่สัจธรรมแต่เจ้าลได้เจพ่หลวงพ่อรู้ได้เจ้เพาพ่อ ตรกูลชาติชั้นวนณะไม่ใช่เหนือชาติเหนือชั้นเหนือวนณะเป็นของกิ่งรู้ได้ทันทีถ้าสิ่งไหนปฏิบัติแล้วไม่รู้รู้ไม่ได้ไม่ใช่สัจธรรมไม่ใช่คําสอนคนจะสวากาโตภโกตาโโมนกันทิสิโกคาลิโกเอนิปัิโกโอปนาญโกปัจจัตังเบคิดตะปูจุนิติเป็นปัจจตังรู้ได้เห็นได้ทุกชีวิต ลองเหอาจารย์ต้งศิลของสาธิตเราด้วยสัมผัสเามาส่วนคะำพูดเรพูดส่วนประกอบด้วยเล็กน้อยไม่ทำมากแต่ว่าการจะทำเราทําทําให้อุ่นใจให้อออุ่นใจขอให้อุ่นใจอบอุ่นใจสิ่งที่เราทำมันชอบแล้วมันถูกแล้วไม่ฟรีไม่ฟรี สิ่งที่เราทำไม่ฟรีเลยไม่เป็นหมันป่าพลิกมือขึ้นก็รูดยกมือไปเอามาโรดไม่ฟรีเลยอย่าให้มันฟรีอย่าใช้ชีวิตฟรีๆใช้ชีวิตเป็นกับกรรมมุฒิกรรมกรรมมังเกตากรรมมังวัานกรรมจะจำแนกไปไม่ฟรี กรรมจะจาแนกเองถ้าไม่มีเจตนากรรมก็ฟรีกรรมก็ฟรีเป็นกันตตัดกรรมเราเดินมาเท่าไหร่แล้วเราเคลื่อนไหวมาเท่าไหร่มันฟรีไม่เป็นกรรมไม่มีผลทั้งที่เราเดินทั้งที่เราหายใจทั้งที่เราตำอะไรแต่มันฟรีเป็นกรรมที่ไม่มีผลเขาเรียกว่ากัตตัดกรรม บ้านา น, นี้มาทำกรรมได้ไหมผมอยากให้มันฟรีให้รูกสิบตัวให้รูกสิบตัวโดยโอกาสสร้างพยายามประกอบพยายามสัมผัสได้ที่อยู่กันทุกคนพออยู่ได้หลังละคนสคนบ้านดินหลังนี้ก็อยู่ได้นะพ่อไปพักเถอะ ไปแล้วันนี้ว่าจะนอ น, น, นลงว่านินหลังนี้ก็อยู่ได้หลัลงนี้ก็อยู่ไดนะ้มีไฟฉายนะมีไฟฉายไหมนะเด้อหาไาต้องมีไฟฉายมาแจกกันเด้อเราอยู่ป่ามีสัตว มีงูแม่อะไรแต่ว่าฤดูนี้ก็ไม่ไม่เป็นท่านตกงูตกตะขาบไม่ค่อยมีโยมก็ไม่สุกสนไม่ค่อยจายเดินไปมาข้างๆทืนม่นคำถาม <c oughs> อะไรนะ <c oughs> กลัวไหมไม่กลัวความกลัวเกิดจากความคิดคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวอะไรอย่างนีนให้ตัวร เ, เราเองหลอกตัวเราเ